บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืกต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ผู้มีพระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ในมหาสติปฐานในสูตรที่นำมาถอธิบายชี้แจงโดยลำดับนั้นจึงสังเกตว่า โดยเนื้อหาสาระแล้วขอเตียงแต่บุคคลได้เพิ่มคูณธรรมะหลักสามประการคือสติ ส, สัญญาและความเพียรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วตรงทำทั้งหลายที่ทรงยกมาชี้แจงแสดงก็จะเป็นที่รู้ที่เข้าใจของบุคคลเหล่านั้น สามารถกำหนดรู้ถึงสภาพความจริงที่แท้จริงของกายของเวทนาที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดามันมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าจิตใจคนไปกำหนดหมายด้วยความรู้สึกผูกพันว่าเป็นร่างกายของเรา หรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วความรู้สึกก็กระจายออกไปที่ตัวกายนั่นเองคืบคลั่งเข้าไปสู่กายคนอื่นก็จะมีการกำหนดในสองลักษณะคือกำหนดด้วยความรักใคร่พอใจกับความเคียดแค้นจริงจัง แต่การกำหนดในแนวนี้จิตใจของบุคคลก็จะแปรผันไปตามการกำหนดที่เกี่ยวกับบุคคลในขณะนั้นๆเช่นบุคคลที่ใจเราไปกำหนดว่าน่าใครท่านน้าตราฐานานาพอใจต่างโดยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นสามีพัญญาเป็นบุตรธิดาเป็นต้นจิตใจเราจะฟูจะแคบไปตามความเปลี่ยนแปลงของคนที่เรารัก เมื่อคนที่เรารักมีความเจริญเติบโตมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเราก็มีความชื่นชมยินดีใจก็ฟูขึ้นแต่บางคนที่เรารักมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีจิตใจเราก็ฟุบลงเพราะาใจจะฟูจะแฟบอยู่ตลอดจึงมีคนที่เรารักมากเท่าไหร่ใจก็จะไปแบกไปยธดในตัวคนเราดันมากขึ้นเท่านั้น ในสุดใจก็จะสูญเสียความสงบไปเดือดร้อนบุ่นวายพราะคนนั้นพราะคนนี้พราะคนโน้นท่านจึงกลายท่านจึงแสดงว่าเป็นการแบกขันเอาไว้เพราะขันของเราเพียงห้าขันเราก็แบกสหาหัสหาสากันอยู่แล้วแต่ก็ไปแบกขันก็คนยลื้นเพิ่มขึ้นคนละห้าขันหน้าขันความทุกข์มันก็ทับทวีขึ้น อย่างที่คติโบราณท่านพูดถึงทุกข์ของคนสามกลุ่มที่เรียกว่าทุกขกษัตริย์ทุกข์เจ้าวัดทุกข์แม่เรือนทำไมาคนเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราและเราเป็นมีมากไล้เป็นจิงของเราทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณ เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกมีวินดานที่เคลื่อนที่ได้เขาก็มีพฤติกรรมของเขาตามพื้นเพจริตตัญญาศัยของเขาเราต้องการเขาเป็นอย่างหนึ่งเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นบางครั้งก็เป็นไปตามที่เราต้องการแต่าบางครั้งก็จะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจิตใจพวกคู้ภูเแฝกไปติกรรมตามพฤติกรรมของคนที่เรารักเรานั้นทุกจวัดก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน มีคนที่ท่านรู้สึกผูกพันเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องควบคุมจะต้องฝึกปลือจะต้องอบรมจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดเหล่านั้นจิตใจก็จะไม่สงบก็จะฟูจะแคบตามไปยิ่งทุกข์กษัตริย์แล้วยิ่งไปใหญ่จะมีความรู้สึกครอบคลุมพื้นที่ตีดกว้างใหญ่ออกไป ตนเราจะเห็นว่าพรประเทศบาปประเทศพระมหากษัตริย์จะไม่มีประชน์มายุยืนเท่าไรครองราชกันองค์และไม่กี่ปีก็ต้องที่วงโคตไปสวรรคตไปก็แสดงถึงการแบกรับภาระมีความวิตกกังวลการเก็บกฎการห่วงใยและความเดือดร้อนต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มุมมองในพระพุทธศาสนานั้น จะมีการสอนไว้ในหลายหลายระดับหมายความระดับสมมุติสัจจะจะเป็นธรรมะที่สอนในแนวของการรับผิดชอบตามภาระหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อไปเกี่ยวข้องกับคนอันเป็นที่รักก็ต้องมีการเตรียมใจเอาไว้ คือจะตั้งความหวังว่าเขาต้องเป็นเรียงที่เราเป็นไปทุกกรณีนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเวลากระทบมาจากเขาพระเจ้าก็ทรงมีคำสอนในแนวที่เราเรียกว่าคารวะศรธรรมบ้างเรียกว่าธิฐานธรรมบ้างหมายความว่าการปฏิบัติวิธีชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับคนเราดั้น แต่แง่สมมติที่ช่วงยาวๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีพันยากันเป็นเพื่อนฝูงกันในช่วงสมมติที่สั้นๆมีการติดต่อเกี่ยวข้องกันบางครั้งก็ไม่กี่นาทีแต่มีความจําเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆและทรงสอนธรรมะที่เป็นรูปฐานใจมาความเป็นฐานชีวิตของคนแต่ละคน ในการครองเรือนจะให้เกิดความสุขนั้นก็ต้องมีฐานใจหนเงจากประการแรกก็ท่งเน้นไปที่สัจจะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงต่อตอนเองต่อบุคคลอื่นต่อภารกิจการงานต่อการเวลาต่อกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งต่อหน้าคนและตารับหลังคน เนื่องจากจเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขยายปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบอีกเป็นนันมากการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเราก็ทรงสอนในเรื่องของการฝึกปลือตัวเองการพัฒนาตัวเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองและสิ่งที่ต้องฝึกปลือมากเป็นพิเศษก็คือการฝึกปลือจิตตัวเอง พฤติกรรมที่แสดงออกของคนตลอดตึ้งการรับอารมณ์หรือการแสดงออกของเราเองรับจากข้างนอกหรือแสดงออกจากข้างในเป็นภาพสะท้อนจากจิตที่คิดในแต่ละขณะแล้วก็พูดออกไปในแต่ละขณะทำออกไปในแต่ละขณะแล้วก็ท่งแสดงยกจ่องตื้งการฝึกจิตว่าเป็นความดี เออฝึก ถ, ถึงจุดไหนฝึกฝึก ถ, ถึงจุดที่เรียกว่าใช้งานได้ตารนวจบาลถถถีจะเรียกว่ากรรมนิยยคือใช้งานได้เช่นสมมติเราฝึกใช้มือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้มือทำงานตรงนั้นได้บางทีเป็นเรื่องสร้างสารรค์บางรีต้งเรื่องแก้ไขบางทีปรับปรุงบางทีปฏิสังขรบางทีต่อเติมบางทีตัดต่อ สามารถใช้มือได้ตามสุขควรแก่กรณีนนดัง น, นั้นการงองอารมณ์ที่มากระทบในชีวิตประจําวันก็ทรงสอนในรูปของการสามารถที่จะหยุดตัวเองได้ปุ่มตัวเองได้กําหนดทิศทางในการพูดในการกระทําในแต่ละขณะได้บางครั้งบางคราวจิตเป็นเหนียวนึกตรกุนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคเพิ่มความทุกข์ความร่าร้อน ความสูญเสียให้มากขึ้นภายใ น, นใจิตใจมีปัญญาเกิดขึ้นวินิจฉัยถึงความคิดเหล่า น, น, นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรกิดแล้วก็บรนทอนสุขภาพจิตปเปล่าๆเราก็กลมใจห้ามใจเอาไว้ไม่คิดอารมณ์บางประเภทได้แต่การห้ามจิตในลักษณะนี้เป็นการห้ามเฉพาะอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศล โดยเฉพาะอารมณ์ที่ขัดขวางภารกิจที่เราประพฤติปฏิบัติในขณะนั้นๆซึ่งบางครั้งมางเราอาจจะเป็นกุศลธรรมก็ได้เช่นสมมติว่าในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจการงานที่จริงมันก็ต้องการสมาธิอยู่ระดับหนึง่งแต่เป็นระดับทำงานเท่านั้น ไม่ใช่เป็นระดับสมาธิที่ปล่อยวางเรื่องราวทั้งหมดแล้วมาสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะจะทําให้งานการเหล่าดัน้นสูญเสียไปแม้การเจริญสมาธิดีก็ตามแต่ว่ากาลเทศะอย่างนั้นก็ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งหมายความว่าปัญญาจะต้องเกิดขึ้นวินิจฉัยความคิดในแต่ละขณะได้ หยุดตัวเองได้ห้ามตัวเองได้บางครั้งทรงสอนในรูปของสรีระยนต์ก็คล้ายๆกับการขับรถหรือขับรถยนต์ขับเรือขับเครื่องบินอะไรก็ตามที่เป็นยานพานะเจ็นรถยนต์ที่เราขับไปนั้นจะต้องทำได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากการปฏิบัติไม่เหมาะควรแก่กรณีทรงนั้นท่านเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทะเลไปนิดช้าไปหน่อยมันก็ไม่เกิดละตพนาการเกิดอุบัติเหตุคือไม่เร็วในที่ควรเร็วไม่ช้ า, นะชาในที่ควรช้าไม่หยุดในที่ควรหยุดไม่เลี้ยวในที่ควรเลี้ยวอุบัติเหตุเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเพราะจึงทรงสอนในรูปห้ามกัน ลักษณะอารมณ์ความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความดีงามซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้ได้แต่บางครางบางคราวมีอารมณ์กระแทกมาจากข้างนอกก็อยเกิดการเสียดแทงเบียดเบียนแผดเผามีความร่ารรอนปรากฏขึ้นภายในจิตใจเลยจะไปแก้ไขอะไรทั้งนอกมันก็ทำไม่ได้ ถ้าขืนไปแก้ไขมันจะมีปัญหามากยิ่งขึ้นเช่นก็ด่ามาระด่าตอบประหารมาประหารตอบประทุษร้ายมาประทุษร้ายตอบปังก็เพิ่มปัญหาขึ้นเทนที่จะหยุดไว้ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะในกรณีนี้ส่งสอนในรูปของความอดกลั้งความอดทน ค, ความทนทานถ้าเราต้องการอดออมเวลาต้องเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวที่กระตุ้นให้เกิดความอยากกระดิ่นรนเพียรพยายามที่จะตอบสนองความต้องการเกินไปในสุดแล้วก็เป็นธาตุความอยากเหล่านั้นลักษณะอารมณ์ที่แรงเสียดแทงใจแรงคืออารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความรักความชังเาความกลัวถ้ า, าวจัตใจของคนไม่เข้มแข็งมากพอมันก็ทนทานบางจุดไม่ได้ พอทนทานไม่ได้บังเกิดเป็นปัญหาใจก็สูญเสียความสงบเพราะหลังจากผ่านการอดกล้านการอดทนแล้วทรงสอนในรูปที่เราเรียกว่าโศรกจักคือมีความช่มชื่นบังเกิดขึ้นภายในใจผ่านการถูกเยียวยุให้โกรธมาแล้วอดก้านอดทนได้แล้วไม่เก็บความรู้สึกไม่พอใจเหล่านั้นไว้ภายในใจ ไม่มีความมีความรำคาญความมาคาดพยาบาทหรือต้องการจะคิดประทุษร้ายหรือนึกแช่งอะไรก็ประสบความทุกข์เป็นตน้นเลิกแล้วก็เลิกกันเลยไม่มีการเก็บกดไม่มีความขุดมัวอยู่ภายในที่ท่านเรียกว่ามีความแช่มชื่นเกิดขึ้นอยู่ภายในใจมีความผ่องใสอยู่ภายในใจ ในขณะเดียวกันเราต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นนั้นมากการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายมีความโบ อ, อ้อมอาลีสงเคราะห์นุเคราะห์เ อ, อื้อเพือพ่อเผื่อแผ่กันนั้นเป็นความจำเป็นและขาดไม่ได้ตลอดชีวิตของเราขึ้นอยู่กัว่าธรรมะปฏิบัติเหล่านี้มีความเป็นเรามีความเป็นเขา แต่ว่าการปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อตัวเราเองและต่อตัวเขาเป็นประโยชน์คื่อกูลทั้งส่วนเราและส่วนเขาก็ทำให้เป็นการดํารงชีวิตที่มีฐานใจกระทบมาจากข้างนอกก็ไม่เสียฐานกระแทกมาจากข้างในก็ไม่เสียฐานจึงทรงสอนสรุปว่าเป็นคารวัตสธรรมคือธรรมะของผู้ที่ครองเรือน ในจริงแล้วก็มีความเป็นสากฏตุเรื่งแต่ว่าครองเรือนนั้นใช้ระดับหนึ่งก็พอตำนองคล้ๆก็ขอมันหนักตะกี่กิโลมันก็ใช้คนเท่าไหร่จึงยกได้คราวนั้นก็พอแล้วแต่ของถ้าของน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้คนเพิ่มขึ้นใช้เครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้น ธรรมะปฏิบัติเองก็มีลักษณ ะ, ะอย่างนั้นไปนสังเกตว่าบางอย่างเราก็ใช้ไม่มากเท่าไร่ก็อพอแล้แต่บางอย่างต้องใช้มากลักษณ ะ, ะของธรรมะปฏิบัติจึงเหมือนกับวิชาความรู้เหมือนกับฝีมือเหมือนกับทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ใช้เท่ากันทุกกรณีไปแจะไปใช้ได้ตามสมควรแก่เกิรินั้นปัญหาสําคัญอย่างยิ่งคือต้องมีใช้แล้วต้องมีพอใช้ด้วย ถ้ามีแต่มีไม่พอใช้ปัญหามันก็เกิดเกิดขึ้นในจุดที่เรียกว่าไม่พอใช้โดยเฉพาะอย่างยี่เกคื อ, อารมณ์ที่กระทบมาจากข้างนอกเป็นอารมณ์ที่สร้างความอ่อนไหวได้ง่ายแล้อ่อนไหวไปโดยหน้าความรักความชังในมหมาสติปัฏฐานาสูตรทรงใช้คำว่าอาภิชาโทบ ม, มนัดอภิชานั้นเป็นกิเลสประเภทโลภะ โทปนัตนั้นเป็นกิเลสประเภทโทสะกับความทุกข์ประเภทความไม่สบายใจทีอเราจะเห็นว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธบางอย่างนั้นเราทำให้เราไม่สบายใจแต่นั้นเองแต่ความโกรธบางอย่างมันออกมาในรูปของการประทุษร้ายแต่จะอยู่รนดับใดก็ถามก็คือทำใจให้เกิดความขุดมวลสรสม ค้อคำสอนในแนวที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยใจไม่เสียฐานมาความเขาจะเป็นไรก็ตามเราก็สงบใจมีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจได้ตลอดแทนที่จะมองเป็นเราเป็นเขาอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นมันก็มองเป็นเรากับพวกเราไม่มีการมองแบ่งแยก แล้วก็มีความรู้สึกต่อคนทั้งหลายด้วยเมตตาจิตเราจึงพบธรรมะที่สอนแนวเมตตาอยู่เป็นอันมากแม้แต่สิ่ข้อที่หนึ่งที่จริงก็คือเรื่องของเมตตานั่นเองแต่เมตตาที่เริ่มไต่บันไดขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งเมื่อใจมีหลักมีฐานยืนได้มันก็คือใจที่มีเมตตาเป็นฐานนั่นเองความคิดตจนนี้คือมองในรูปที่เราแผ่เมตตากัน โดยจริงๆแล้วเราก็ช่วยใครไม่ได้ทั้งหมดหอกเราต้องการเห็นทุกชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มเบียดเบียนกันไม่พัฒนาชรากันกกให้แต่และชีวิตอยูด่ดีมีสุข ต, ตามต้องควรแก่สถานะของตนแต่ผลจะเกิดขึ้นแก่คนทุกคนตามที่เราปรารถนาก็เป็นไปไม่ได้เพราะไรเพราะคนทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนเองจะต้องไปผูดรับผลของกรรมเองกา ร, รเป็นกำเนิดเป็นต้นอย่างที่สวดกัน เพียงแต่ว่าแม้จะมีการประทุสรายมีการสร้างปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราและในตัวของเขาโดยความรู้สึกของเราแล้วก็คือพวกเดียวกันใจเราจะสงบเย็นแต่ความรู้สึกที่เป็นเมตตามีอนุภาพมีพลานิสงที่เราสัมผัสได้ด้วยใจพอกระประสบความเดือดร้อนก็กลายเป็นการุณาน ถ้าเมตตาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการใจก็จะสงบด้เวเบิกขาถ้าเขาประสบความทุกข์เราได้ช่วยทุ่มเทเวลาชีวิตตรงไปแล้วพยายามช่วยเหลือแล้วแต่ช่วยไม่ได้เขาก็เป็นไปตามกรรมของเาเราก็ทําใจอยู่ด้วยเบิกขาเขาประสบความสำเร็จเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาแะ่แรกเราก็ทําใจเป็นอเบกขา เบื้อขาะจะกลายเป็นเรือนใจที่สงบใจมันเสร็จภารกิจการงานคล้ายๆกระเต่าที่ไม่เป็นไหนแล้วมันก็เก็บทุกอย่างไว้ในกระดองอันตรายจากข้างนอกก็ทำไม่ได้เท้าทั้งสี่ศีรษะแล้วก็หางก็ไม่ได้เสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายเพราะเข้าไปอยู่ในกระดอง ถ้าว่ปฏิบัติระดับนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือใจแลาสมุติแต่อย่าลืมว่าในขั้นนี้เองใจก็จะแปรผันไปตามความรู้สึกเวลาพวกเราเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไปดีบางทีก็ทำใจเป็นเวขาไม่ได้มันก็มีแต่ความโศก ตอนนี้เราสังเกตว่าบางครั้งบางคราวเราก็พยายามช่วยเหลืออะไรก็เต็มที่แล้วพอเขาประสบปัญหาเขาล้มตายแทนที่เราจะทำใจเป็นอุเบกขามันทาไม่ได้มันเกิดร้องหอร้องไห้มันกลายเป็นความสุขความสุขนั้นเป็นทุกข์เพราะฉันถึงคำสอนระดับของกรรมาฐานพระเจ้าทรงสอนในรูป ถ, ถ่ายถอน ความรับความชังในกายตนและกายบุคคลหรือออกไปเมื่อร่างกายมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปหรือบุคคลเกิดเปลี่ยนแปลงไปใจก็ไม่ผูกไม่แฝกเพราะไม่ไปผูกพันด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา คนนี้ทั้งสังคมทั้งหลายผู้สังเกตว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแก่คนเกิสัตว์ทั้งหลายในโลกนั้นที่จริงมีประจำวันตานสถิติเขาบอกว่าคนฆ่ากันตายทุกนาทีคนเกิอดอุบัติเหตุทุกๆสามนาทีชั่วโมงหนึ่งคนเกิอดอุบัติเหตุจํานวนหลายคนแต่เวราดูใจเราประฏว่าเราก็ไม่เด็ดรอด ถ้าถามใจลึกๆว่าทําไมจึงไม่เดือดร้อนเราก็ตอบได้ว่าเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ผูกพันกับเราด้วยหน้าความรักความชังแต่ถ้าคนเหล่านั้นคือคนที่เรารักหรือชังใจจะแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลเหล่านั้นคนที่เรารักเกิดอุบัติเหตุเราจะโศกคนที่เราชังเกิดอุบัติเหตุเราจะดีใจเพื่งแต่ละอย่างนั้นก็เป็นการเพิ่มทุกข์เพิ่มบาป คนที่เรารักประสบบัติเหตุเราเพิ่มทุกข์คนที่เราช่างประสบบัติเหตุเราเพิ่มบาปตกลงมาได้บาปกับได้ทุกข์บาปมันก็เตุแห่งทุกข์ทขมันก็นํามาสู่การกระทําที่เป็นบาปพราะคําสอนที่ลึดลงไปจึงสอนให้มองร่างกายด้วยความสุบ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือถ่ายถอนความกําหนัดออกไปจากร่างกายได้เะ ก, ก่อนในความกำหนัดที่ควรถอนในตอนต้นก็คือความกําหนัดในกายตัวเองตีกำหนดรู้สึกสวยงามน่าใคร่น่าปราถนาหน้าพอใจสํานวนทางพระบาลีท่านเรียกว่าตันหาจริตกล้าปัญญาน้อยแม้ความมีตันหา มีจิตใจที่ดิ้นที่สายที่แกวง่งที่สูญเสียการทรงตัวเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสจิ่ใจไปกำหนดวัาหน้าใครนะ่าปรารถนาหน้าพอใจก็โดยเฉพาะกายเราพระเจ้าก็ทรงสอนวิธีขัดเกลาก็เรียนกันมาตามลำดับที่จริงข้อใดก็ได้แต่การสอนให้เรื่องตามพื้นฐานของคน ครานี้ทักษายชนทั้งหลายลองสังเกตว่าคล้ายๆกระดาษทรายวางอยู่หลายเบอร์เรามีไม้อยู่รุ่นหนึ่งต้องการจะขัดกระดาษทรายบรรเทาไม้มันอยู่สภาพอะไรถ้าไม้เพิ่งผ่านการใส่กบมาหรือไม้ยังไม่ได้ใส่กบแต่รอยเลื่อยมันก็ไม่ถึงกัดใหญ่เกินไปเบอร์กระดาษทรายมันก็ต้องหยาบต้องสากมากจึงจะขัดได้ แต่ปเดี้วมีเจอไม่อัดมันเกือบจะไม่จำเป็นต้องขัดกระดาษทรายแล้วมัน ก, ก็เบอร์ของกระดาษทรายมันก็ละเอียดแต่ตอนนี้ตนนั้นก็คือขัดไม้ให้ใช้งานได้เด่นเดงนธรรมะปฏิบัติที่ทรงสอนในรูกของเครื่องมือในการฝึกจิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้น หราทำยังไงสามารถบรรเทาตัญหาได้แล้วก็เพิ่มปัญญาขึ้นมาได้เพราะปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นจากตัญหากล้าปัญญาบรรน้อยทีนี้ถ้าปัญญาบรรเพิ่มเนี่ยตัญหามันจะลดลงไปก็นี้ลองสังเกตเด็กที่ร้ายเดียงสากับคนที่ที่มีเดียงสาแล้วเด็กนั้นจะอะไรก็ใส่ปากหนก็แสดงว่าปัญญาน้อยตัญหามาก อยากลิ้มอยากลองอยากกินไม่เข้าใจก็มีโมหะมืดบอดในด้านเหตุผลอยู่เราก็คอยจับคอยดูกันแต่เด็กคนนั้นพอแกโตก็ได้มีเดียงสาขึ้นมาความปัญญาเพิ่มขึ้นตัณหากจะลดลงเกอยากในเรื่องที่ควรอยากมันจะไปจับอะไรใส่ปากทันทีทันใดจะมีวิธีการคิดมีวิธีการตัดสินใจมีการเลือก รับประทานเลือกกินเลือกซื้อในสิ่งที่ควรแก่กการกินการซื้ออันนี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เราก็มองเห็นกันเพราะนั่นมาปฏิบัติส่วนนี้ก็คือมองให้เกิดความสงบเสียก่อนให้เกิดความสงบดูร่างกายตัวเองที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นร่างกายของเราเราเป็นอย่านั้นอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนของเรา มาดูเห็นความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ แ, แรกก็สอนให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างที่เราเรียกว่าอนาปานาสติดูไปดูมาเราจะเห็นว่าร่างกายเอาก็จรงมันมันถูกลมหายใจปนปลืออยู่ท่า น, นั้นเองมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างอายุไอุนแล้วก็วิญญาณไอุนนั้นะมันก็ปนปรือยู่กับลมหายใจเข้าออก มีการสูบจิตโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายมันก็ออุ่นพอบินยาณดับอายุขาดไออุ่นดับร่างกายก็เย็นพวกนี้บางก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันเราจะเห็นว่าชีวิตที่จริงมันเป็นขณะกน า, น า, นาหายใจยังหายใจข้าวยังไม่สุดอาจจะดับก็ได้หายใ จ, จออกยังไม่สุดก็ดับก็ได้ เพราะจริงชีวิตเราก็ดับได้อยู่ทุกขณะที่ลมหายใจกำลังเดินทางเข้าออกอยู่ดับเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เอาว่าจริงแล้วร่างกายผมก็ไม่ใช่ของเราจริงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างจริงๆคนที่รู้รู้สึกกันว่าเป็นใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นพอยยไออุ่นวิญญาณดับมันก็ดับ มีค่าเป็นท่อนไม้คือกันแล้วคนที่รู้สึกใหญ่รู้สึกโตในขณะที่มีชีวิตยอยู่ก็สร้างปัญหาแก่คนอื่นเยอะพอตายไปมันก็สร้างปัญหาแก่คนอื่นต่อในการที่จะทําศพไปสมศักดิ์ศรีกับบุคคลเหล่านั้นคนอื่นก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปเราก็เห็นภาพว่ามันปัญหามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มีตัวเปตน ใจที่ผลักพามาเพื่อเป็นของเราหรืรู้สึกว่าเราเป็นนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตนที่เรามีตนถ้าบรรเทาความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนนั้นที่เรียกว่าอัตตาให้ลดให้เล็กลงไปหน่อยจยางนั้นการที่ดนขวนขวายเพื่อปลุกปลื้มตัวเองหรือความรู้สึกที่จะเพิ่มความเป็นของตัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันก็จะลดลง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาจากการครอบครองจากการได้หรือการไม่ได้เนี่ยมันก็จะลดตามลงไปงคือเราจะเห็นว่าบาปที่ควรจะเกิดขึ้นมันก็ลดตามลงไปด้วยเพราะการศึกษาเรียนรู้ตรงนี้จึงไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องที่จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานแต่จริงแล้วเป็นการบริหารร่างกาย ในการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคคลช่วยให้สร้างความเช่นชื่นความเยือกเย็นความสงบขึ้นภายในจิตได้และก็มีปัญญารู้เท่าทันถึงสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์ในแต่ละขณ ะ, ะแสดงให้รู้ปริมาณสติสมัมมชจัญญาที่เกิดขึ้นคุ้มครองใจรักษาใจ ได้ความสงบได้ความเยือเกเย็นตามสมควรแก่เหตุที่บุคคลเหล่านั้นได้ประกอบกระท า, าลงไปสุดเนี่นต่อจานี้ไปพอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป